คุณเอเล่าเรื่องประสบการณ์ขนหัวลุกค่ะเป็นเรื่องของผีผูกคอตายมาเล่าความจริงให้ฟังผ่านความฝันเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคุณเอเมื่อประมาณ10ปีก่อนนะคะนึกถึงทีไรคุณเอบอกว่าก็ยังหลอนทุกครั้ง สิ ป, ปีก่อนนี่คุณเอไปงานแต่งญาติที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้จักใครเลยนอกจากญาติๆค่ะในคืนก่อนที่จะมีพิธีแต่งงานทางบ้านเจ้าภาพก็จะมีการเตรียมอาหารหรือว่ากับข้าวกับปลาเครื่องดื่มเพื่อเอาไว้เลี้ยงแขกในวันรุ่งขึ้นพ่อครัวแม่ครัวซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านก็จะมาช่วยกันทากับข้าว คุณเอเป็นอีกคนนึงค่ะที่เข้าไปช่วยงานในครัวเพราะว่าญาติฝ่ายเจ้าภาพทุกคนเนี่ยต่างช่วยกันเตรียมงานแทบไม่ได้นอนกันเลยทุกคนค่ะส่วนในตัวบ้านก็เป็นวงเล่าเจ้าประจําที่มักจะพบได้ทุกๆงานซึ่งก็ถือว่าเป็นการตั้งวงเล่าพูดคุยกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพนะคะ เพลิดเพลิเดียวค่ะเวลาเกือบตีสแล้วคุณเอบอกผมรู้สึกง่วงนอนจนทนไม่ไหวก็ต้องแอบไปงีบให้ได้การที่จะไปนอนในบ้านตัดออกไปได้เลยเพราะว่าวงเล่าเนี่ยถ้าจะยาวถึงเช้าเขาก็เลยเดินมาด้านหลังบ้านแล้วก็มุดรั้วลวดหนามเพื่อจะไปนอนที่แคร่ของบ้านข้างๆที่อยู่ติดกัน ในความมืดนะคะเขาบอกว่าเขาเห็นเปลผูกอยู่ก็เลยตัดสินใจที่จะนอนตรงนี้สักพักหนึ่งค่อยกลับไปช่วยงานที่ครัวต่อข้างๆเปลเนี่ยก็จะเป็นตอไม้ซึ่งมีการตัดต้นไม้ออกเขาก็ใช้เท้าถีบเนเพื่อส่งเปลให้ไกวแล้วก็ถือว่าเป็นการไล่ยุงไปในตัวด้วย นอนไปสักพักหนึ่งค่ะคุณเอก็หลับไปเพราะว่าง่วงจัดซึ่งบางครั้งก็ได้ยินเสียงพูดคุยของพ่อครัวแม่ครัวเป็นระยะเพราะว่าอยู่ไม่ห่างกันกับจุดที่คุณเอนอนมากนักนะคะทีนี้เนี่ยพอหลับไปปุ๊บเขาก็ฝันค่ะในความฝันคุณเอฝันเห็นผู้หญิงอายุประมาณ 40-50 ปีใส่ผ้าถุงลายดอกผูกคอตายใช้ผ้ายัดปากตัวเองห้อยตรงเตงอยู่กับต้นไม้ แล้วก็ที่เขาใช้เท้าถีบเนี่ยเพื่อกวายเปลค่ะในฝันนั้นนี่มันเหมือนความจริงมากเหมือนอยู่ในเหตุการณ์เหมือนไม่ได้ฝัน จนเขาสะดุ้งตื่นแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็รีบลุกออกจากเปลแล้วก็เดินกลับไปในครัวเขาก็เล่าความฝันให้ทุกคนที่อยู่ในครัวฟังค่ะทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะะ่ะบอกว่าเหตุการณ์ในความฝันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการผูกคอตายหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่การเอาผ้ายัดปากตัวเองคือทุกอย่างตรงกับความฝันหมดน ะ, ะและที่สาคัญคือเพิ่งเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนจะมีงานแต่งงาน ผู้ตายเนี่ยน้อยใจเรื่องปัญหาครอบครัวค่ะก็เลยมาผูกคอตายกันกับต้นมะม่วงข้างบ้านและทุกอย่างก็ถูกถ่ายทอดผ่านความฝันตามที่คุณเอเล่ามานะคะเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยเจอมาอาจจะเพราะอยู่ถูกที่แล้วก็ถูกเวลาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะถ้าเกิดจากการคิดไปเองคุณเอบอกว่าหรือว่ารู้สึก นึกคิดจากจิตใต้สำนึกยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าตัวของคุณเอเนี่ยกับผู้ตายไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอีกอย่างคือไม่เคยรู้ก่อนว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นถ้ารู้ว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยคงไม่กล้าไปนอนตรงนั้นแน่ๆนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ชวนสงสัยนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะคุณเอบอกว่าไม่อยากหาคาตอบแน่นอน ะะเพราะว่าเรื่องนี้นี่ก็ได้รู้ได้ฟังมาจากปากของคนที่อยู่ในหมู่บ้านไปแล้วนะคะว่าเขาคือใครอะไรประมาณนี้ ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะกับคุณพลค่ะเกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเช่นกันตอนนั้นเนี่ยคุณพลบอกว่าเรียนอยู่มัธยมปีที่3นะคะก็เป็นการไปเข้าค่ายละค่ะตามประสานนักเรียนเนา ะ, เ, นะเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่เรียนคงจะเคยเข้าค่ายกันไปแล้วคุณพลก็เช่นกันเข้าค่ายในปีที่อ่ามัธยมปีที่3 3มวันสคืนนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นคืนสุดท้ายหลังกิจกรรมรอบกองฝ่ายจบ ทหารก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้านอนผู้ชายก็จะกางเต็นท์นอนกันเรียงรายกันเป็นแถวบนพื้นหญ้ากลางสนามส่วนผู้หญิงนี่ก็จะสบายหน่อยนอนที่โรงนอนนะคะพูดถึงเต็นท์ก่อนค่ะนอนกัน2คนต่อเต็นท์ก็จะมีแผงกระดุมอ่าไว้ปิดแล้วก็มีซิบรูดปิดอีกชั้นหนึ่งคือถ้าจำไม่ผิดแต่จำได้ว่าปิด2ชั้นและทหารสั่งไว้นะคะว่าถ้าจะลุกเข้าห้องน้าต้องไปเป็นคู่เท่านั้นค่ะ คืนนั้นฝนตกพื้นหญ้าก็จะมีกลิ่นอับๆหน่อยนอนไม่ค่อยสบายตัวแต่ก็หลับไปนะคะคุณพลบอกว่าได้ยินเสียงแม่เรียกชื่อ 2-3 สาครั้งก็สะดุ้งลืมตาตื่นแล้วก็มองไปรอบๆทีนี้เนี่ยก็คุณพลเนี่ยเขาบอกว่าเขายือนอยู่ท่ามกลางสนามหญ้าคืองงมากยือนอยู่ส่วนไหนของสนามก็ไม่รู้รองเท้าไม่ได้ใส่ เพืออ่อยืนเท้าเปียกอยู่บนพื้นหญ้ากลางสนามแบบงงๆก็เห็นเพื่อนคู่หนึ่งเดินผ่านน่าจะไปห้องน้ําก็ถามไปบอกว่าเนี่ยกี่โมงเพื่อนก็ตอบมาบอกตีสหรือตีสนี่แหละก็เลยหยุดความงงเอาไว้ก่อนรีบเดินหาเต็นท์ของตัวเองเพราะว่ากลัวจะโดนทหารทําโทษค่ะที่ว่าลุกไปต้องไปเป็นคู่ก็เปิดเต็นท์ผิดไปผิดมาอยู่พักหนึ่งถึงจะเจอเต็นท์ของตัวเองและทีนี้เขาก็เลย ดูกระดุมแล้วก็สิบรูดหน้าเต็นท์มันถูกเปิดอยู่นะคะเขาก็กลับเข้าไปนอนด้วยความงงสุดๆแต่ด้วยความง่วงก็เลยหลับไปค่ะทีนี้เขาก็เลยจะถามว่ามันคืออะไรเขาไม่เข้าใจเขาบอกเขาไม่ได้ฝันเรื่องอะไรเลยแต่ได้ยินเสียงแม่เรียกชื่อ 2, 3สครั้งเท่านั้นเขาก็เลยรู้สึกตัวรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งคือเขาก็ไปยืนอยู่กลางสนามหญ้าแล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังคะถ้าคิดตามเหตุอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวคุณผลเนี่ยละเมอ แต่จะละเมอขนาดไหนถึงเปิดกระดุมเปิดซิบได้แบบนั้นถ้าคิดในแง่ผีๆสางๆนะคะตัวของบีเองอาจอาเชื่อว่าอาจจะไปลบหลู่อะไรหรือเปล่าซึ่งตอนเย็นก็มีรถขนขนมจีบสละเปาเขียนขายขอบๆสนามวิ่งไปซื้อกินก็จำไม่ได้ว่าไปยืนฉี่ใส่ต้นไม้หรือว่าอะไรแถวนั้นหรือเปล่าคุณพลบอกและถ้าผมไม่ได้ยินเสียงแม่เรียกลรผมไม่เดินตกเขาไปแล้วหรอ ทุกวันนี้ก็ยังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกว่าฝันบางคนก็บอกละเมอซึ่งตัวของคุณพลเองก็ไม่เข้าใจว่าคนเราเนี่ยมันละเมอเปิดกระดุมรูดซิปได้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าและไม่ใช่ความเคยชินอะไรที่จะ เกิดขึ้นได้ก็แค่นอนคืน2คืนและตอนรู้สึกตัวก็อยู่ห่างจากเต็นท์ของตัวเองไปไกลพอสมควรนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวที่คุณพลเจอขึ้นนะคะกับตัวเองในตอนที่ไปเข้าค่ายนะคะถ้าไม่ได้ยินเสียงแม่เรียกเนี่ยไม่อยากจะคิดเหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ ภูเก้าอยู่ในจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะคะในอดีตก่อนจะมีจังหวัดหนองบัวลำภูภูเก้าจะอยู่ในจังหวัดอุดรธานีแม้ว่าภูเก้าจะไม่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนภูกระดึงที่จังหวัดเลยค่ะซึ่งมีอนาเขตติดกันกันกบจังหวัดหนองบัวลำพูแต่ว่าในปัจจุบันนี้ภูเก้าได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคํา ในอดีตมีความเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดพระทุดงกรรมฐานจึงนิยมเดินทางไปเพื่อบำเพ็ญสมณะธรรมที่ภูเขาแห่งนี้เพราะว่ามีความสงบและก็เงียบสงัดค่ะ ธรรมวิริโยภิกขุนะคะเพื่อนเก่าของเว็บมาสเตอร์ไซเบอร์วนารามเมื่อครั้งตอนบวชใหม่ๆก็มาพบกันโดยบังเอิญแ ล, ล้วค่ะที่วัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดชายภูมิท่านเป็นพระป่าบวชมานานกว่า30ปีแล้วแต่ว่ามองดูเหมือนพระที่เพิ่งบวชใหม่เพราะว่าปฏิปทาที่เรียบง่ายไม่ค่อยพูดของท่านเวลามีงานที่ไหนหากไม่มีใครรู้จักท่านก็ชอบนั่งแท้ทายภิกษุรูปอื่นแต่หากมีภิกษุรูปอื่นที่รู้จักท่านจึงจะแสดงตัวนะคะบางครั้งค่ะก็ต้อง ทำหน้าที่เป็นประธานสงฆ์พระว่าบวชมานานแล้วนั่นเองการสนทนาสักพักหนึ่งก็เลยเกิดการถามถึงประสบการณ์เดินทุดงของท่านซึ่งตัวของท่านเองก็ไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังนักแต่ว่าเพื่อนเก่าอายุไล่เลี่ยกันบวชมาพร้อมกันรูปหนึ่งอยู่กับป่าเขาลําเนาไพรส่วนอีกรูปหนึ่งเป็นพระที่มุ่งทางด้านการศึกษากลายเป็นพระมหาป ร, ริยญาเมื่อพบหน้ากันก็เลยฟื้นความหลังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ผมว่าป่าเขาลำนาพรายมีปาฏิหาริ์บางครั้งก็อธิบายไม่ได้ท่านธรรมวิริโยภิกขุก็เริ่มต้นขึ้นอย่างช้าๆค่ะดวงตามุ่งมั่นเหมือนกำลังทบทวนความหลังก่อนจะเริ่มต้นเล่าประสบการณ์ทุดงครั้งหนึ่งค่ะว่าวันนั้นตะวันเริ่มจะรับเหลี่ยมเข่าแล้วแสงสีทองเหมือนจะกล่อมป่าให้หลับไหลก่อนจะลาจากได้ยินเพียงเสียงริ่งเรไรของแมลงกลางคืนเนียนะคะร้องระงมทั่วทั้งป่าขุนเขาภูก้ายังคงสงบเงียบ ทั่วหุบเขาดูเหมือนจะมีเพียงพระภิกษุหนุ่มสองรูปค่ะที่พยายามเดินลัดเลาะแนวเขาเพื่อหาทางออกจากภูเขาแห่งนั้นแต่ก็ดูเหมือนว่ายิ่งพยายามก็ยิ่งพบกับทางตันเราก็เลยเดินกลับไปที่เก่าสามรอบแล้วก็ยังหาทางออกไม่พบผมก็เลยเดินออกจากวัดป่าบ้านสร้างเซียนอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสมัยนั้นน่ย น, นะคะซึ่งมีเป้าหมายที่วัดหินหมากเป้งจังหวัดหนองคายคือไปกัน2รูปก็คือผม แทนตัวธรรมวิริโยนะคะแล้วก็ปุญญะราโมท่านบวชก่อนผม1ปีทีนี้พอรัศมีแห่งตะวันกำลังจะจางหายก็ได้ยินเสียงปุญญะราโมพิกุเนี่ยท่านถอนหายใจอนอ่อนเปลี่ย พลางขอพักเหนื่อยบนชะ ง, งอนหินแห่งหนึ่งแล้วก็ได้กล่าวขึ้นบอกว่าผมว่าเราหยุดพักกันตรงนี้แหละผมจําได้ว่าเราเดินกลับมาที่เก่าสามรอบแล้วดูต้นไม้ต้นนั้นสิมันโผล่ขึ้นมาบนก้อนหินซึ่งผมเคยบอกท่านเมื่อพบมันครั้งแรกผมบอกว่ามันแปลกประหลาดที่สุดต้นไม้อะไรกันเกิดบนก้อนหินตอนนี้เนี่ยเราก็เลยกลับมาที่เก่าอีกแล้วหากขืนเดินต่อไปคงต้องกลับมาที่เก่าอีกเราหลงทางซะแล้ว ธรรมวิเดโยพิกุยอมรับก่อนจะสุดกายลงนั่งบนหินก้อนนั้นก่อนจะเอ่ยขึ้นนะว่าผมจำได้แล้วเราคงหลงทางจริงๆอย่างท่านว่าตะวันก็เริ่มจะรับฟ้าและเราคงไม่มีทางออกจริงๆหรือว่าเราเดินข้ามเครือเขาหลงกันตามที่ชาวบ้านเขาเล่าลือว่าหากใครเดินข้ามเถาวันชนิดนี้จะหลงทางย้อนกลับทางเก่าครั้งแล้วครั้งเล่า วันนั้นพระภิกษุทั้งสองรูปก็เลยต้องนอนพักแรมบนยอดภูก้าแห่งนี้ท่ามกลางความเงียบสงดแห่งรัติการก็แยกย้ายกันหาที่พักแต่ว่าไม่ไกลกันนักพอมองเห็นกันได้ก่อนจะพักก็ยำทำกติกากันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่มาพบกันก่อนฟ้าสางจากนั้นก็หาที่กลางกรดพักผ่อน ปฐมเหตุเกิดจากธรรมวิริโยพิกขุค่ะที่เอ่ยชวนปุญญะราโมพิกขุในเช้าวันหนึ่งหลังจากฉันพัฒหารเสร็จว่าผมเนี่ยกำลังเดินทุดงผ่านภูก้าแห่งนี้ทะลุไปยังหนองวอัวซอต่อไปก็จะไปอุดรธานีแล้วก็สิ้นสุดที่วัดหินหมากเป้งจังหวัดหนองคายแต่ผมอยากมีเพื่อนร่วมทางใครจะไปกับผมบ้างธรรมวิโยพิขุเอ่ยขึ้นมาลยลอยแต่ว่าปุญญราโมก็เห็นชอบด้วย เมื่อสอบถามจากครูบาอาจารย์ที่เคยเดินสายนั้นท่านก็ให้คําแนะนําง่ายๆว่าเดินเท้าไปที่ภูเก้าก็จะลงที่อําเภอหนองวอัวซอจากนั้นก็เดินตามทุ่งนาผ่านไปที่บ้านผือไม่เกินเจวันก็จะถึงวัดหินหมากเป้งที่อําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายท่านให้คําแนะนําเพียงเท่านี้แต่ทว่าพิศุทธหนุ่มทั้งสองที่เพิ่งบวชเพียงสองพรรษาก็เชื่อมั่นในพลังศรัทธาของตนเองค่ะ ต่อมาอีก3วันก็ฉันพัะทหารเสร็จก็ออกเดินทาง30ปีที่แล้วถนนหนทางยังไม่ค่อยสะดวกเหมือนปัจจุบันแต่ก่อนนี่ก็คือยังเป็นถนนลูกรังนะคะบางหนบางแห่งก็ยังเป็นทางเกวียนเรื่องรถยนต์โดยสารวิ่งวันละรอบเท่านั้นจากบ้านป่ามายังตัวอำเภอซึ่งห่างกันไม่ถึง20กิเมตรแต่ว่าต้องใช้เวลาไปกลับถึง1วันค่ะการเดินทางก็ต้องผ่านทุ่งนาเทือกสวนไร่นาของชาวบ้านที่ปล่อยทิ้งร้างหลังฤดูการเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้น ผมจำได้ว่าเป็นเดือนมีนาคมเพราะว่าเราออกเดินทางก่อนสงกรานต์ประมาณเดือนหนึ่งของอเรื่องของการเดินทางของพระภิกษุในแถบนั้นเนี่ยถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าในแต่ละวันจะมีพระธุดงค์เดินทางขึ้นที่ภูก้าเป็นประจำ คำเล่าลือของชาวบ้านแถบนั้นบอกว่าผีที่ภูเก้าเนี่ยดุรายน่ากลัวเป็นที่สุดซึ่งในแต่ละปีก็จะมีผู้สังเวยชีวิตบนภูเขาแห่งนี้ปีละหลายคนคนที่เสียชีวิตส่วนหนึ่งก็มาจากพวกที่ไปเลื่อยไม้ในป่าบางคนก็นอนหลับอยู่ดีๆไม่มีโอกาสตื่นอีกเลยซึ่งชาวบ้านเรียกว่าหลายตายแต่ว่าบางคนบอกว่าเป็นเพราะทาผิดต่อผีบางคนนี่ก็เป็นไข้ป่า ความตายที่หาสาเหตุไม่ได้ชาวบ้านก็จะยกให้ผีไปเพราะว่าไม่ต้องอธิบายอะไรต่อหรือไม่ก็หาคําอธิบายตามหลักวิชาการสมัยใหม่ไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านที่นี่เรียนจบแค่นั้นชั้นประถมศึกษาปีที่4เท่านั้นเองบางคนนี่กว่าจะจบตามหลักสูตรก็ต้องเรียนซ้ําชั้นหลายปีเลยทีเดียวบางคนเรียนจบไปแต่งงานมีครอบครัวแล้วแต่ก็ยังมีบางคนนี่เรียนยังไม่ยอมจบครูสมัยนั้นท่านเอาจริงสอบตกก็ต้องเรียนใหม่ ดึกสงัดเงียบแห่งขุนเขานี่มันน่ากลัวนักไม่มีอะไรเลยนอกจากเสียงลมและเสียงสัตว์ที่ออกหากินในตอนกลางคืนผมสวดมนต์แผ่เมตตาบอกเจ้าที่จะทางขอพักอาศัยแล้วว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะหาทางออกจากหุบเขาแห่งนี้ให้ได้จากนั้นก็เริ่มนั่งสมาธิตามแบบที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนก็คือการกาหนดลมหายใจเข้าออกโดยใช้บริกรรมว่าพุทโธผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้จิตใจผมนิ่งสงบ ในสมาธิอันแน่วแน่คงเพราะการเดินทางทั้งวันนั่นเองที่ทําให้จิตสงบง่ายกว่าปกติฉับพลันก็เหมือนกระแสลมแรงพัดพาต้นไม้หกักโค่นไปตามๆกันผมไม่ได้ออกจากสมาธิก็ยังคงเฉยกําหนดรู้ตามปกติไม่นานก็เหมือนมีฝนเทลงมาอย่างหนกักแต่แปลกกรดของผมไม่ไหวติ้งเลยลมและฝนดูเหมือนจะตกทั่วภูเขาแต่ไม่ตกที่กรด ไม่นานนักก็มีบุรุษร่างยักษ์สูงใหญ่ขนาดลำตาลยืนตระหง่านที่เบื้องหน้าเปล่งเสียงหัวเราะลั่นก่อนจะบอกว่าเพื่อนท่านดูหมิ่นผมกล่าวหาว่าผมไม่มีอยู่จริงเป็นวิญญาณที่ดุร้ายขาดเมตตาธรรมแต่พวกมนุษย์ทั้งหลายต่างก็ไร้สัจจะไม่มีใครจะรักษาสัจจะได้สักคนพูดอย่างทำอย่างวันนี้ผมมาเตือนท่านอย่าได้โยนความผิดให้พวกผม คนตายเหล่านั้นเขาถึงคาดตังหากไม่เกี่ยวกับวิญญาณหรือผีร้ายตนใดเลยถึงผมจะเป็นผีแต่มีสัจจะไม่ทำร้ายใครโดยไรยเหตุผลคนพวกนั้นสมควรตายทั้งนั้นฝากเตือนเพื่อนท่านด้วยเมื่อบุรุษร่างยักษ์ตนนี้พูดจบก็หายสาบสูญไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมออกจากสมาธิก็จะมีแสงรัศีสีทองจากทางด้านของเบื้องบุรพาทิตสแสดงว่าตอนนี้น่าจะเป็นตอนเช้าแล้ว ผมก็มองดูอาณาเขตรอบๆว่ามีต้นไม้หักโคนที่ไหนบ้างแต่ว่าทุกอย่างยังอยู่ในสภาพเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต้นไม้น้อยใหญ่ก็ยังคงยืนหยัดอย่างยืนยงคู่กันกับป่าเขาได้ยินเสียงไก่ขันแววมาจากที่แห่งใดแห่งหนึ่งก็ค่อยๆเงี้ยหูฟังก็สามารถจับทิศทางได้บุญญศราโมเก็บบริขารเสร็จแล้วก่อนออกเดินทางจึงบอกท่านไปว่าให้ท่านเนี่ยไปขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาซะท่านคิดอะไรไว้เมื่อวานรีบขอโทษเขาซะ บุญยราโมไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าจุดทูบขึ้นหนึ่งดอกจากนั้นก็พนมมืออธิษฐานอะไรบางอย่างขวันทูบก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนจะค่อยๆพัดไปอีกทางหนึ่งอย่างสงบนิ่งผมก็เลยบอกว่าเราเดินทางไปที่ที่ขวันทูบลอยไปนี่แหละจากนั้นก็ออกเดินทาง กว่าจะพบหมู่บ้านกลางหุบเขาก็ปลาเข้าไปบ่ายคล้อยแล้วมีเพียงบ้านของชาวบ้าน 3-4 สี่หลังเท่านั้นชาวบ้านก็หาหมากพลูบุรีมาถวายแต่เนื่องจากเลยเวลากระทำพัฒกิจไปนานแล้วเราทั้งสองรูปก็เลยต้องอดอาหารตลอดวันแต่ทว่าการอดอาหารไม่ได้ทำให้เราเหน็ดเหนื่อยเลยชาวบ้านก็เลยบอกทางว่าเดินไปอีกไม่ไมเกินค่ำเนี่ยก็จะเห็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งหลวงพี่จะพักที่นี่หรือจะเดินต่อไปล่ะ ทั้งสองรูปก็เลยตัดสินใจเดินทางต่อจนกระทั่งค่ำจึงมองเห็นควันไฟลอยมาจากหมู่บ้านวันนั้นก็เลยหาที่พักไม่ไกลจากหมู่บ้านนักรุ่งเช้าก็ได้ออกบินทบาทได้อาหารพอประทังชีวิตแล้วก็ออกเดินทางมุ่งหน้าตามเส้นทางบนยอดเขาไปเรื่อยๆต่อมาผมได้ถามท่านบุญญราโมถึงเรื่องนี้ว่าท่านได้เล่าให้ผมฟังว่าผมด่าวิญ ญ, ญาณพวกนั้นจริงเพราะผมเชื่อว่าผีพวกนั้นทําให้ญาติผมเสียชีวิต ญาติผมคนนั้นเสียชีวิตเพราะเชื่อกันว่าเป็นไข้ป่าเขามาเลื้อยไม้บนภูเก้าแห่งนี้แต่ว่าผมเชื่อในใจลึกๆว่าเขาตายเพราะถูกผีภูก้าวกระทําก็เลยเผลอกล่าวหาพวกเขาไปแต่ว่าคืนนั้นเขามาบอกผมเหมือนกันว่าพวกเขาไม่ได้ทําอะไรญาติผมเลยพวกเขาเสียชีวิตเพราะว่าเป็นไข้ป่าจริงผมก็เลยขอขามาที่ได้กล่าวโทษพวกเขาไปท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามควันทูบนั้นเป็นเพราะว่าวิญ ญ, ญาณแห่งขุนเขาเปิดทางให้ท่านและผมจึงได้มาถึงหมู่บ้านแห่งนี้ ไม่อย่างนั้นพวกเราคงหลงทางบนยอดภูก้าไปอีกหลายวันรร ม, มาวิทีโยสรุปสั้นๆค่ะว่าผมเชื่อว่าผีและวิญ ญ, ญาณ น, นี้มีอยู่จริงจึงบอกท่านไปว่าในพระไตรปิฎกก็ยืนยันไว้ชัดเจนดังที่ปรากฏในสังคีติสูตรทีฆะนิกายปาติวัค1 1 2 8 1 1 9ทัทักล่าวถึงสัตว์ทั้งหลายมีคติที่ไปห้าประการคื อ, อนิระยะหรือว่านรกดิรฉานโยนิหรือว่าสัตว์ดิรชานปิตติวิสยัยภูมิแห่งเปรต มนุษย์สมนุษย์และเทวะหรือเทวดาบางตำรายังมีอสูรกายแทรกอยู่ระหว่างปิดตะวิสัยกับมนุษย์อีกกำเนิดเหล่านี้ย่อมมีผู้ไปเกิดแต่ว่าพบไหนภูมิไหนจะมีมากกว่ากันนั้นตอบไม่ได้เราเห็นเพียงพบมนุษย์อย่าพิ่งด่วนสรุปว่ามีมนุษย์เท่านั้นในโลกนี้พบอื่นภูมิอื่นอาจจะมีจานวนมากกว่ามนุษย์นับร้อยนับพันเท่าก็ได้ ในธรรมจักรกับปะวัตนาสูตรก็มีเทวดาพรหมพากันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจํานวนนับไม่ถ้วนมนุษย์จึงเป็นเพียงเศษเสี้ยวของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายพวกเทวดาก็มีจํานวนมากถึง6ชั้นพรหมโลกอีกสิบชั้นยังมีอรูปาวจรภูมิอีก4ชั้นดังนั้นในโลกนี้จึงไม่ได้มีอยู่เฉพาะมนุษย์อย่างเดียวยังมีภูมิอื่นแทรกอยู่ด้วยแต่ทว่าเรามองไม่เห็นด้วยตาธรรมดาอีกอย่างหนึ่งต่างฝ่ายต่างอยู่ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันแล้วก็จะไม่ปรากฏกายให้เห็น วิญญาณก็เหมือนกันกับมนุษย์ค่ะก็จะมีพวกฝ่ายดีมีพวกฝ่ายร้ายแม้แต่พวกเทพก็ยังมีฝ่ายดีและฝ่ายร้ายด้วยทีนี้เมื่อถามถึงปุญญาราโมท่านธรรมวิริโยบอกว่าไม่ได้พบกันมาสิบกว่าปีแล้วแต่ได้ข่าวว่าท่านเนี่ยทุ ด, ดงอยู่ทางภาคเหนือก็คงจะมีประสบการณ์ที่น่าสนใจจึงตั้งจิตแน่วแน่ ว, ว่าหากปุญญาราโมยังอยู่ในเพศพรหมจันทร์ขอให้ได้พบท่านอีกครั้ง ก็ยังสงสัยและติดใจเรื่องปรากฏการผีแม่ไม้ระหว่างชายแดนอำเภอโนอนสังแล้วก็หนองวัวซอที่ท่านเคยเล่าให้ฟังเมื่อหลายปีก่อนนี่คือบทบันทึกของพระมหาบุญไทยปุญญะมโนนะคะที่บันทึกไว้เมื่อวันที่24เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2554ค่ะ